ศาสนาก็จึงจะอยู่ได้แล้วเมื่อฟังแล้วเอาไปทำไปปฏิบัติการปฏิบัติธรรมในถือว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทาแล้วมันก็จะจำแนกไปเองอาศัยการกระทาเป็นเหตุการกระทาก็จะจำแนกไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอ้อนวอนเช่นการเจริญสติเป็นคำพูดก็ได้ ทำมีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สำปนาจัญญะความรู้ตัวจำเอาแล้วก็ไปพูดไปตอบอนันไม่ใช่เป็นภาคปริยัตเป็นภาคทฤษฎีแต่ว่าไม่ต้องไปท่องเป็นเสียงเป็นคาพูดเอาการกระทาเอากายไปต่อเอากายไปจุ่มเอาให้มันติดกับกายให้มันติดกับจิต สร้างตัวรู้ให้รู้สึกให้ระลึกได้ขณะที่รู้สึกมันก็ระลึกได้มันติดกันอยู่สติสมัญญะมันติดกันอยู่ใม่มีอันหนึ่งอันเดียวเราต้องฝึกหัดแต่ไม่หัดมันไม่เป็นมันอาจจะหลงมากกลัวรู้เราจึงฝึกหัดให้มันรู้สึกตัวต่อเนื่องยาวๆก่อนที่มันจะเป็นมันต้องมีเวลา เห็นเวลาใดมันหลงหัดให้มันรู้เวลาใดมันไม่มีอะไรก็หัดให้มันรู้เรื่อยไปให้ความรู้เป็นเจ้าเลื่อนเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูเป็นผู้แลเป็นผู้ช่วยเหลือเรามาหัดตัวนี้กันเวลาใดที่มันหลงได้โอกาสที่จะได้เกิดความรู้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้เราเอาความรู้สึกตัว ไปเกี่ยวข้องไปฉเฉลยหัดฉเฉลยหัดมีความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องให้ไปดูไปเห็นว่าเช่นเราเดินอยู่มันรู้อยู่มันคิดจะนั่งความคิดมันพาจะให้นั่งเราก็ไปรู้สึกอย่านั่งตามความคิดอย่าลุกตามความคิดอย่าทําอะไรไปตามความคิดหมดทุกอย่างให้มีสิ่งทักท้วงตรวจสอบเหมือนกับคนทํางาน ก็ต้องมีผู้ดูผู้เห็นให้ลูกให้เห็นด้วยมันเป็นอย่างไรให้เห็นกับตาเราดูเห็นกับตาว่เขาทำตรงนั่นเขาทาแบบนี้แต่เราไม่เห็นเราก็ปลอมได้งานก็เถื่อนชีวิตเรามังก็อาจจะเถื่อนถ้าไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้ตรวจสอบความเถื่อนของชีวิตมันก็มีเช่นความคิดมันคิดอะไรก็ไปตามความคิด คิดยังไงก็ได้มันไม่ได้เสมอไปก็ทักท้วงดูก่อนหัดให้มันรู้เห็นเอาไปเอามาตัวคิดมันก็อายสติเหมันกันเพราะมันไม่ถูกต้องบางอย่างในกายในใจเรานี่มันไม่ถูกต้องเสมอไปเราจึงมามีสติคอยดูคอยเห็นให้มันคุ้นมันเคยหัดใช้สติมันเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆมันเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆ หรือมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามมันเห็นบ่อยๆแล้วในกายในใจเรานี่มันก็มีเรื่องเดียวบ่อยๆมันเกิดอันเดียวบ่อยๆเหมือนกันทุกคนความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเหมือนกันนอกจากความรู้สึกตัวที่เข้าไปเจี่ยวของแต่มันเกิดขึ้นบ่อยๆก็ให้มันเกิดไปตามเรื่องตามราวมันก็ไม่ถูกสมอไป เดี๋เราดูกายนะก็เห็นกายอยู่บ่อยๆเห็นกายอยู่บ่อยๆการเห็นอยู่บ่อยๆมันไม่ใช่เห็นเฉยๆความเห็นมันก็พัฒนาขึ้นมามันก็เราเห็นหน้าเห็นตากันเห็นหน้าเห็นตากันเห็นกันบ่อยๆมันก็จำกันก็รู้กันรู้หน้ารู้ตาเรายังไม่พอจังรู้ถึงนิสัยใจคอของบุคคลที่เราเห็น เป็นบัณฑิตอย่างไรเป็นคนผ่านอย่างไรควรคบเป็นมิตรแท้มิตรเทียมอย่างใดสิ่งที่เราเห็นเขาก็แสดงการพบกันนานๆมันก็เห็นอะไรที่มันผิดมันถูกการพบชีวิตเราบ่อยๆมันก็เห็นแล้วมันก็แสดงให้เราเห็นเห็นกายมันก็เห็นเป็นรูปไม่ใช่เป็นกายเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นการเคลื่อนการไหวมันเป็นรูปเป็นนาม ไม่ใช่เห็นกายธรรมดาเพราะตัวดูเข้าไปดูแล้วออกไาดูแล้วเราะว่าที่ลูกศึกมันออกไปดูเมื่อออกไปดูมันก็เห็นพบเห็นเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมนะมันเห็นเมื่อเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันก็แตกฉานแล้วะนะมันแตกฉานไปเองมันรูปทุกนามทุกอย่างไรธรรมชาติอย่างไรอาการอย่างไร มันก็จะบอกรูปนามกองรูปกองนามมันจะบอกเราเราก็จะฉลาดจุบนกองรูปกองนามมีปัญญามีปัญญาเกิดขึ้นจากอกองรูปกองนามเราอย่าไปดูแบบกี่แบบเพ่งแบบจ้องดูเหมือนออกมาดูเหมือนเราดูหนังดูละครอย่าไปแสดงกับเขาจึงจะเรียกว่าลักษณะของการดู ต่อไปดูแลแสดงกับเขาไม่ได้ดูเป็นผู้แสดงเอ็นเขาแสดงให้หัวเราะก็หัวเราะไปกับเขาขาแสดงให้ร้องไห้ก็ร้องไห้ไปกับเขาขาแสดงให้รักให้โกรธก็โกรธก็เคืองไปกับเขาอันนั้นไม่ใช่ดูการมาดูแลมาดูตัวเองก็เหมือนกันเขาแสดงบททุกก็ไปทุกกับเขาเขาแสดงบท ยากก็ยากกับเขาเขาแสดงบทดเจ็บปวดปวดก็ปวดกับเขาเขาแสดงความหิวความร้อนความยากความง่ายก็แสดงกับเขาไม่ใช่ดูนะภาว่ะของสตินี่คือการดูเมื่อเขาแสดงความยากเราก็เห็นความยากอืมความยากเห็นเขาไม่เป็นผู้ยากเขาแสดงความง่ายเขาเห็นความง่ายไม่ได้เป็นผู้ง่ายเขาแสดงความสุขก็ไม่ได้เป็นผู้สุขกับเขาเขาแสดงความทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์กับเขา เพราะว่าภาวะที่ดูภาวะที่ดูมันเป็นอย่างนั้นเลยพูดแบบตรงๆว่าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ได้เป็นผู้ทุกข์เห็นมันยากเห็นมันง่ายไม่ได้เป็นผู้ยากไม่ได้เป็นผู้ง่ายเห็นมันผิดเห็นมันถูกไม่ได้เป็นผู้ผิดไม่ได้เป็นผู้ถูกจึงจะเรียกว่าการดูเป็นอย่างนั้นสติเป็นอย่างนั้นคุณค่าของสติหน้าที่ของสติเป็นอย่างนั้น พาให้เกิดความบริสุทธิ์พาให้เกิดปัญญาก็เห็นหมนีละเป็นปัญญามันยกขึ้นกอกเก่าบรรลุ่งข้ามกอกเก่าข้ามล่วงกอเก่ามันเป็นการข้ามล่วงมันเป็นการพ้นภาวะเดิมๆนะสติเนี่ยเราเห็นเห็นมันอะไรต่างๆเขาแสดงอยู่นั่นแหละเวลาเราไปดูมันก็ต้องแสดง เขาแสดงตลอดเวลาเรื่องของกายของจิตของใจเรานะ่ะเรื่องของชีวิตเรานะ่ะเห็นเราเห็นกายเรต้องเห็นเวทนากายเขาแสดงถึงความเป็นอย่างไรความเท็จความจริงเป็นอย่างไรทีเ่เราพูดวันก่อนกายารูปสนามีสติเห็นกายเห็นกายใดกายเห็นกลุ่นบึ้งของกายมันเป็นอย่างไร มันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายอย่างไรไม่มีตัวมีตนอยู่ในกายอย่างไรกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติเป็นกูการแสดงของกายเป็นปัญญาไม่มีตนอยู่ในกายเห็นเป็นปัญญาเรื่องของกายความร้อนความหนาวความปวดขวมมื่อยความหิวความเจ็บความปวดอะไรต่างๆมันเป็น อาการที่มันเกิดขึ้นกับกายไม่มีตนอยู่ในที่นั้นไม่มีตนอยู่ในอาการเห็นเป็นอาการเห็นเป็นธรรมชาติจึงจะเรียกว่าสติถ้าเรื่องของกายก็เฉลยได้ทุกอย่างเห็นแบบรัดลัดเห็นแบบตรงๆงไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้ามันปวดก็รู้แล้วรู้แล้วเฉลยได้แล้วเห็นแล้ว เพราว่าที่เห็นเนี่ยไม่มีคําถามผู้ที่เห็นก็ไม่มีคําถามพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นรู้เห็นพบเห็นมันอยู่กับตาพบกับตารู้เห็นมันก็มีส่วนประกอบแต่คิดเห็นไม่มีส่วนประกอบเลื่นๆลืนหลงๆการเจริญสติมันชัดไม่มีอะไรที่หลอกเราโดยเพราะตัวเราเนี่แหละมันหลอกตัวเรา ถ้ามีสติมันหลอกไม่ได้ความสุขมันก็หลอกไม่ได้ความทุกข์มันก็หลอกไม่ได้ความโกรธความโลภความหลงก็หลอกไม่ได้เพราะความรู้สึกตัวมันเห็นถ้าจะเห็นเป็นความสุขความทุกข์ก็เห็นเป็นอาการเห็นเป็นความโกรธความโลภความหลงก็เห็นเป็นอาการอาการของกายอาการของกิตยิ่งไปเห็นรูปเห็นนามเข้าแล้วมันเปิดเผยออกมาให้เห็น ทุกสิ่งทุกอย่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรที่มันเกิดอยู่กับลูกก็ทำกับนามธรรมทุกบางอย่างมันก็เกี่ยวข้องทุกไม่ถึงจิตไม่ถึงใ จ, จเฉพาะทุกข์ของลูกไม่ถึงจิตถึงใจมันก็แยกออกเป็นส่วนไม่จิตใจไม่ต้องไปรองรับโดยเฉพาะตัวลูกสึกตัวเนี่ยรมันก็เป็นจิตแล้วละ่ะ เป็นภาวะที่เป็นกิจเป็นภาวะที่เป็นพรหมบริสุทธิ์โดยเฉพาะภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาวะที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ก็ตรงนี้แหละประพฤติพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ไม่เปื้ไม่เปลื่นแต่ภาวะที่เป็นเนี่ยมันเปื้เปลื่นนะเป็นสุขก็เปลื่อนความสุขเป็นทุกข์ก็เปลื่อนความทุกข์ เป็นผู้ผิดก็เปื่อนความผิดเป็นผู้ถูกก็เปื่อนความถูกเป็นผู้ลักก็เปื่อนความลักเป็นผู้ชังก็เปื่อนความชังแต่ถ้าว่าภาวะที่เห็นไม่เปิดเพื่อนกับอะไรเหมือนกับใบบัวที่มันแบนอยู่ผลนองผลตกใส่มันไม่เปื้อนภาวะที่สัมผัสมันไม่เปื่อนมันเป็นคุณภาพชีวิตของเรามันก็มีคุณภาพโดยเฉพาะความรู้สึกความระลึกได้พาให้เกิดเป็นคุณภาพ พรให้ชีวิตมีสมรรถภาพเป็นมาตสฐานเพราะว่าที่ดูนะไม่เพื่อไม่เพื่อนกับเสี่ยงใดการเห็นถ้าเป็นแล้วเปื่อเพื่อนนะเราจึงมาดูออกมาดูเหมือนพระพุทธเจ้าสแสดงว่าสูงทั้งห้ายจงมาดูโลกอันกวางสอกยาวหวานหาคืบวิกิตรการดุดรดชะลดที่คนเขาหมกกันอยู่โจมอยู่ แต่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่ไม่ค้องอยู่ก็หลุดไปจากตัวเนั่นแหละการหลุดพ้นก็หลุดจากอะไรหลุดจากความภาวะที่เข้าไปเป็นอะไรต่างๆหลุดไปแล้วมีแต่เห็นแล้วการเห็นมันก็ต้องพ้นตรงนั้นแหละภาวะที่เห็นมันก็พ้นแล้วแต่ภาวะที่เป็นไม่พ้นความหลุดพ้นก็เกิดอยู่กับการเห็นเมื่อกเราเห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเรา เหนความหลงความหลงก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราไม่มีโทษสําหรับเราถ้าได้เห็นแล้วก็เอาไหว้หลังแล้วความเห็นก็ออกหน้าไปพ้นไปแล้วถ้าสิ่งไหนที่เห็นเอาไหว้ข้างหลังแล้วไม่ขวางหน้าถ้าเป็นมันก็ขวางตลอดไปไปเจอไปชนไปเป็นปัญหาขวางหน้าขวางตาไปไม่ได้ไปไม่ได้นะจันจเจริญสติเห็นไหม เห็นมันหลงพ้นจากความหลงไหมเห็นมันชิดพ้นจากความชิดก็ค่อยๆพ้นไปอย่างเนี้ยนะบางทีเห็นมันยากก็พ่นจากความยากเห็นมันผิดก็พ้นจากความผิดถ้ามีสตินะมันปวดมันเมื่อยเห็นเกิดเห็นการปวดการเมื่อยมีสตินีมันจะเยี่ยวจะย่าจะบันเทาแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาวะที่มันปวดมันเมื่อย ไม่มีตนอยู่กับภาวะที่มันปวดเหมือนเม่ถ้ารู้สึกตัวยกออกไปแล้วเขาเรียกว่าเห็นอะไรเห็นเวทนาเห็นมันปวดมันเมื่อยมันเป็นปัญญานะแต่โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่ yeah, yeah. โอ้ยไม่ไหวหรอกฉันนะ่ะไหวไม่รอดมันมีตัวไม่ตนอยู่ในความปวดบางทีถ้าเราเห็นเราก็โอ้นี่คือภาวะของเวทนา แล้วก็เกี่ยวของโดยที่ไม่ถึงกิตถึงใจแยกรูปแยกนามออกจิตใจไม่กระทบกับกระเทือนกับภาวะที่เก็บที่ปวดมันก็ยกเป็นส่วนหนึ่งแต่มันปวดร้อยเปอร์เซแต่ใจไม่กระทบกระเทือนมันก็ไม่ถึงร้อยเปอร์ซถ้าร้อยเปอร์ซมันต้องถึงใจด้วยถ้าไม่ถึงใจเนี่ยไม่ถึงร้อยเปอร์ซเยียวยาลงไป จหิวอนีเป็นผู้หิวเป็นทุกข์เพราะหิวเป็นสุกเพราะอิม่มก็ร้อยเปซ็นเป็นภาวะของปุตุชนปุตุชนคือรอยเปอร์ซ์หมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุตุชนถูกสอนสองดอกถูกกายแล้วถูกกิจ ด, ด้วยอริยบุคคลถูกสอนดอกเดียวเช่นความร้อนก็ ร้อนกายใจไม่ต้องร้อนถึงเงย็นอยู่นั่นแหละมันก็ถูกแค่พะกายความหิวก็เป็นกายใจไม่ต้องเป็นอะไรนะถูกสอนดอกเดียวทุกของกายมันก็เป็นอยู่นั้นมันก็ต้องไม่ร้อนไม่หนาวไม่ปวดไม่เมื่อยมีหิวไมีอะไรเยอะแยะแต่ใจไม่เป็นไรเพราะมันดูมันเห็น ภาวะที่เห็นภาวะที่ดูมันยกออกไปแล้วนี่การปฏิบัติต้อ ง, องไปอย่างนี้จําแนกไปแบบนี้ว่าแต่เรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะนำจะเป็นใหญ่จะเป็นผู้ดูแลตรวจสอบทักท้วงหลุดก็หลุดพ้นตรงนี้หลุดพ้นเพราะความรู้สึกตัวค่อยพ้นไปน้อยๆไปเห็นมันล้มพ้นจากความลมา้มไหม คิดไปพอนจอากความคิดไหมหรือว่ามันขวงหน้าขวงตาอยู่แล้ววิธีที่เราทําน่ยมันก็มีจริงๆมันช่วยได้มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้เราเจริญสติกับการเคลื่อนการไหวพอมันคิดไปเราก็กลับมารู้สึกตัวเนี่ยความคิดก็หมดไปแล้วกลับมารู้สึกตัวไม่ต้องไปเอาความคิดไปแก้ความคิดหาคำตอบจากความคิดไม่ใช่กลับมา กลับมารู้สึกตัวพอมันคิดไปเรากลับมารู้สึกตัวคิดที่ใดก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวก็เป็นเสาหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งแต่ว่าฐานกรรมฐานมันมีที่ตั้งมันมีฐานอยู่กลับมาเอากายเป็นนิมิตเอากายเป็นหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งแล้วก็มีการกระทาอยู่ตรงนี้ ในความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเจตนามีความเพียรมีสติกับการเคลื่อนการไหวเป็นการช่วยเหลือเป็นรูปแบบเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือความจ้ากก็ง่ายขึ้นมาเราไปเอาความคิดแยบความคิดไปห้ามไม่ให้มันคิดไม่มีเครื่องมือมันไปชนเราไปชนเรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ตาต่อตากายต่อกายมันชนไปห้ามไม่ให้มันคิดเอาความคิดไปห้ามความคิดเอาความผิดไปห้ามความผิดไม่ใช่ทาไมมันจึงคิดไปคิดทําไมเป็นก่อนที่มันจะคิดมันเป็นอย่างไรไปหาความคิดมันดับเบิลคิดไปแล้วสองคิดสามคิดไปแล้วตอนเราจึงกลับมา กับมาตั้งไว้ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันคิดทีใดกลับว่ารู้สึกตัวไม่กระทบกระเทือนเลยแ้วมันสุขมันทุกข์มันผิดมันถูกกลับว่ารู้สึกตัวกลับว่ารู้สึกตัวอาศัยในมิตนี่ไปก่อนอย่าไปทิ้งนิมิตแล้วก็หัดใหม่ๆต้องมีนิมิตให้มันคุ้นมันเคยให้มันจำนี้จนาญถ้าหัดเป็นแล้วอาจจะไม่ต้องอาศัยนิมิตก็มันรู้แล้วทั้งหมดมันมี ภาวะที่ลูกเป็นเจ้าเรือนมันไม่มีอะไรลมหายใจก็คือความรู้สึกตัวอริบทต่างๆก็คือความรู้สึกตัวอาการต่างๆคือความรู้สึกตัวสิ่งไหนที่มันแสดงกับกายกับใจมันมีแต่ความรู้สึกตัวอาจจะไม่ต้องไปยกมือสร้างจังหวะอาจจะไม่ต้องไปเดินจงกรมทั้งพบทั้งชาติแต่นั่งสร้างจังหวะเคลื่อนไหวมืออยู่ที่ไหนที่ไหนไม่จําเป็นเหมือนกับเราหัด เขียนหนังสือหัดอ่านหนังสือแต่ก่อนนี่กอไก่ก็อยู่หน้ากระดานต้องเอาตาไปดูต้องเอามือไปเขียนตามลักษณะของกอไก่ขอไข่ขอขวดอะไรไปถ้าไม่ดูกระดานเราเขียนไม่ถูกครูก็ต้องเขียนใส่กระดานให้เราดูต่อไปต่อไปเมื่อเราได้เรียนได้ดูมันก็ไม่มีเลยอยู่ในกระดานมันก็อยู่กับชีวิตจิตใจของเรา เขียนกอไก่มันก็ออกไป ท, ทันทีเป็นกอไก่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปดูมันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่ลูกความลู่กับภาวะที่เป็นมันคนละอย่างทำให้มันเป็นเราจะเขียนกอไก่ก็เป็นกอไก่แล้วมันเป็นแล้วขอไข่ก็เขียนขอไข่อะไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงใช่ได้แต่ไปหัดอยู่ตลอดเวลามันก็ใช่ไม่ได้นนคนขับรถ เมื่อเขาหัดเป็นแล้วมันก็ไปของมันเองธรรมชาติไปเองมือของมันอะไรต่างๆไปของมันเอง